พอดีลมหายใจหมดเนื้อทํายังไม่หมดเลยต้องรีบสูดลมหายใจดังฟิ้วฟิ้วเลยนะเสียงมันติดอยู่ในเทปนะถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้โอ้ยตายเลยนี่แหละมันต่างกันนะธาตุขันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เทตะก่อนมันไหลออกมายิ่งเทศธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่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 แต่มันก็เป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันพอจากนั้นมาแล้วเป็นโรคหัวใจตั้งแต่ศูหมาเลยนั่นละล้มไปเลยเทศนี้หยุดหมดจนกระทั่ง 2512-13 หสสาพอพูดได้บ้างเล็กน้อยจาก2 0 0 6ไปถึง2 5 1พ1 2สอดสองนี้ไม่ได้พูดเลย แม้แต่การต้อนรับแขกก็ไม่เอาหลบลีกปลีกตัวไปหาอยู่ในป่าในรกไปซุ่มๆุมซ่อนซอนรับแขกไม่ได้พอ2 5 1 3ัิไปแล้วก็มีเทศได้บ้างเล็กน้อยจนกระทั่งถึง2520สที่ลงหนังสือเล่มธรรมชุดเตรียมพร้อมและ หนังสือศาสนาอยู่ที่ไหนที่ออกมาเนี่ยเทศสอนตั้งเกือบร้อยกันเทศสอนทุกวันนั่นละ่ะเริ่มเทศนาละ่ะถึงไม่เข้มข้นก็ตามก็เรียกว่าเริ่มเทศละ่ะจากนั้นมาก็ค่อยไปเรื่อยๆหากอยู่ในเกณฑ์ระวังโรคหัวใจนี้อยู่ตลอดมันจึงไม่เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วย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 นับแต่ปี2539เป็นต้นมาท่านจึงงดเทศอบรมพระเนนในวัดและการนิมนต์ไปเทศข้างนอกนั้นท่านงดมาตั้งแต่ปี2535ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าไปเทศที่นู่นก็เทศลำบากมาก